เรื่องไม่รู้ว่าน้าย้อมเดือดแล้วหรือยังไม่เดือดสมัยนั้นพวกภิกษุไม่รู้ว่าน้าย้อมต้มเดือดแล้วหรือยังไม่เดือดภิกษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้หยดหยาดน้าลงในน้า หรือบนหลังเล็บ